หลังจากที่เราได้ต่อทยายพสูตรเก่าว่าถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้เก่าวถึงความเป็นจริงเป็นเทศของคิดเราน่าเป็นอย่างไรแล้วก็พูดเก่าว่าถึง วิธีการที่จะต้องศึกษาเรื่องชีวิตนี้เป็นไปได้อย่างไรเรามีความเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีความเจรตามมามีความเจ็บตามมามีความตายตามมาเป็นโจทย์เราจะต้องยอมรับจิงเหล่านี้หรือ เป็นทุกเป็นทุกตายเป็นทุกมีชีวิตมีเท่านี้หรือชีวิตของเราเพื่อการนี่เท่านี้หรือจึงไม่ควรจะยอมจํานวนเรื่องนี้อย่างที่เราสาทยายพระสูตรมีช่องทางมีวิธีปฏิบัติเหมือนกับว่านั่งที่เราสาทยายพระสูตร พระศาสดาพระพุทธเจ้าได้ศึกษาเรื่องนี้ได้เฉือนอกหมดชินแล้วอันทรรมที่เป็นส่วนที่เลิวเฉือนอกหมดแล้วได้หงายของที่คว่ำขึ้นแล้วได้เปิดของที่ปิดเปิดออกแล้วได้ประกาศไปแล้วกุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยัดธาจะโทษทิ้ง จะไม่ทําตามหรืออย่างไงหรือชาวพูดเหล่าที่คุณละบทคุณละทิฏฐาพูดมีศรัทธาทั้งหลายจะยอมอย่างไรเราต้องมาศึกษาปารากฏความเพียรไม่ยอมไม่ยอมเป็นทุกข์ความเกลื่เป็นเป็นทุกข์ความเกิดไม่ต้องเป็นทุกข์ความเกลื่อไม่ต้องเป็นทุกข์ความเก็บไม่ต้องเป็นทุกข์กความตาย มีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วตามตามพระุทธเจ้าศาสตราของเราเดินมาทางไหนอย่างไรในวันเพลินเดือนหกนั้นชีวิตเกือบจะไม่รอดศึกษาโดยวิธีอืนอ่นมามากมายจนถึงหกปีปีที่หกนี้มานั่งอยู่ใน ต, ต้นศีมหาโพธิ์ในกู้แขนเข้ารู้สึกตัวเหยียดแยนออกรู้สึกตัวมีอะไรเกิดขึ้นน่ะที่มีความรู้สึกตัวมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวตรกันข้ามก็คือความหลง หลงไปทางไหนหลงไปทางความคิดหลงไปทางสิ่งแวดล้อมถ้าหลงไปทางความคิดก็หลงคิดถึงเพียงผาคิดถึงลาหุนคิดถึงประสาทสามฤดูหลงไปตามสิ่งแวดล้อมก็กลัวดอยไม่มีใครเป็นเพื่อนอยู่กลางแดดกลางผ ล, ก, ลก็เจ็บตำท่าจะเจ็บจะปวดขึ้นมา อยู่งคนใดเลยก็โตมไม่มีใครเป็นเพื่อนสักคนเลยเหมือนกับดงกับป่าจิตว่ารอบก็ทำให้หลงได้กลัวเกิดขึ้นได้กลัวตายด้วยทำท่าจะเก็บจะให้ด้วยตากแต่ตาผล นอย่างที่เกิดความหลงก็ลู่สึกตัวเข้าไปมีสติตัดเข้าไปตัดเข้าไปพาตัดเข้าไปอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติเปลียนมาเป็นสติให้ลู่สึกระลึกได้ทั้งนั้นนี่คือบาลบความเพียรบากบั่นบากบั น, บบนไม่ท้อถอยต่อยเป็นทอยเจ็บเป็นเจ็บ จะเกิดอะไขึ้นเกิดบอมีสติขึ้นมาเกิดแก่นฆ่าขึ้นมามีพลหลงขึ้นมาเวลานี้ไม่ใช่มานั่งคิดถึงพิมพ์พาราหุนสั่งกันแล้วสั่งลากันแล้วจะเสาะหาโมกขธรรมทำไมจึงต้องมีความเกิดทำไมต้องมีความเกิดทำไมต้องมีความเก็บทำไมต้องมีความตาย เมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความไปเกิดมองเป็นสองด้านแล้วไว้แล้วเมื่อมีความเแ็งก็ต้องมีความไม่เจงเมื่อมีความเก็บก็มีความไม่เก็บมีความตายก็มีความไม่ตายมองตรงกันข้ามอย่างนี้เห็นมันคิดก็มีความรู้ไม่ได้หลงเข้าไปในความคิดไม่เป็นตัวเป็นตนในความคิด มันทุกก็ไม่เป็นตัวเป็นตนไปกับควมทุกมันสุกก็ไม่เป็นตัวเป็นตนกับควมสุขมันกลัวก็ไม่มีกลัวเป็นตัวเป็นตนขวมกลัวมีจะเห็นตัดเข้าไปตัดเข้าไปตัดเข้าไปอะไรที่มันเกิดขึ้นนอกจากภายนอกภายในมีจะสติเข้าไปใช่ได้ ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์เอาความผิดความถูกเป็นครูที่เกิดกับรูปกับกายมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจอมสิ่งที่เกิดขึ้นกายมันก็แสดงโง่ก็ไม่เป็นตัวเป็นตนไปกับมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายมากมายความร้อนความหนาวความปวดความเมือยความหิวหงุดหงิดมืย วดเลวหมวดแรงหลงหังที่เรายกมือเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยวดหลังขวดเอวอาการเกิดขึ้นกับกายก็ไม่หวันไหวเห็นมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตเนตเห็นกายเป็นกายตังค์ก็เป็นจริงไม่ให้มีกายซ่อนกายเข้าไปอีกที่ว่ากายในี่ยกาย มีกายมีกายนั้นก็เป็นกายที่เป็นที่ตั้งจึงที่เกิดเครื่องกายมีมากมายเห็นมันได้บนเรียนจากบานเหมือนกับวัตถุอันหนึ่งเหมือนกับแผ่นดินบนแผ่นดินมีที่เกิดอะไรหลายอย่างเมื่อมีแผ่นดินก็มีที่เกิดมีต้นไม้มีแม่น้ามีศาสนาหลายสิ่งจึงที่เกิดเครื่อนกายก็มากมาย มองเป็นอาการมองเป็นธรรมชาติเหมือนภูเขาลูกนี้เรียกรวมๆเรียกว่าภูคงในเถบนี้ตอนเหนือนี่มืภูคง้งเรียกว่าภูหยวกอยู่บนหลังภูคงแถบภูหยวกภูหยวกเป็นที่เกิดของน้ำลำาลาบากเทา มีภูโยก็มีภูหลงมีภูจิกมีภูโจกโก้มีภูโคภูขีมีภูกลางมีภูสามชั้นมีพูผึกงมีภูอะไรเกิดขึ้นบนภูเขาลูกนี้ถ้าแถบต้าลงไปก็เป็นภู เดนินคาใกล้หลงปีก็เป็นภูพญาพพเป็นภูบังเหยีมอ้อมก็เป็นต้เทือเป็นเขาใหญ่ออไปก็เป็นเขาใหญ่เป็นภูลอมไปทางการเม้นต่ำเลยทุนก็คือภูเขาเหมือนที่ที่เกิดของสัตว์ต่งางๆ ในร่างกายก็เป็นที่เกิดของสิ่งต่างนอกจากความแก่ความเปียบ ค, ความตายของกายแล้วมีสติเข้าไปแตกแานเลยทีเยเห็นเลยบัดได้บทเรียนจากกายมากมายเห็นกายสว่ากายไม่เป็นตัวเป็นตนไปกับกายที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่ว่าเวทนาก็าเห็น ได้ช่องได้ทางได้กระเสเห็นแล้วไม่เป็นเน่เป็นกระเสแห่งพระนิพพานเห็นแล้วไม่เป็นเห็นมันสุขก็ไม่เป็นสุขเห็นมันทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์กระแสรพรนิพพานเป็นแบบนี้ไม่ใช่สุขเป็นสุขไม่ใช่ทุกข์เป็นทุกข์สัมผัสกับความเห็นไม่เป็นลองดู สัมผัสกับความเห็นเราเป็นไปกับมันลองดูมันต่างกันเมื่อก็มีรสชาติมีรสชาติบริสุทธิ์ถณะนั่นพระองค์คงจะสนุกทั้งสนุกทั้งทุกข์ต้องดื่มดำในอาการในธรรมชาติที่สัมผัสได้บทเรียนจากกายจากจิตมากมายหลังที่เราได้เห็น ได้ฟังว่าสติปัฏฐานะสูตรมีสูตรคือกายคือใจเรานี้เป็นสูตรเป็นหลักสูตรสติเป็นนักศึกษาแตกขานที่นี่แตกขานมากไม่มีจุดใดทำให้หลงเลยได้บทเรียนมากมางงัมนบอก ความเท็จมันบอกความจริงมันบอกชีวิตลอาเพื่อการนี้โดยตรงมันก็ต่อยอดตรงนี้ไม่ผลตรงนี้ไม่เรียนตรงนี้ได้รู้ความรู้ตรงนี้ได้ปัญญาตรงนี้ปัญหาเป็นปัญญาแต่ก่อนหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นทุกข์ พอศึกษาไปมันปีปัญญาหลงไม่เป็นหลงเป็นความรู้ไปจนแล้วจบก็เป็นไม่เป็นจบเป็นความรู้ไปจนแล้วมาได้บทเรียนในความจริงเป็นสากลสากลของชีวิตถ้าจะเปียบถ้าจะดูโลตัดไว้ดีใครก็ได้เหมือนกันหมด เหมือนกันหมดทุกชีวิตถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยมีกายมีใจเหมือนกันหมดมีสติเพื่อศึกษาและนี่ก็ทําได้เหมือนกันหมดจึงรียกว่ามนุษย์ขึ้นมาซะเพราะประเสริฐมันทําได้เมื่อมีอมัศเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ มากมายแปดมื่สี่พันอย่างทั้งกุศลทั้งอกุศลกอกุศลดารามกทั้งหลายเกิดขึ้นก็มีมีความเพียรบาลบแล้วไม่เป็นอารามกขึ้นมาเปลี่ยนมันเป็นกุศลขึ้นมาอากุศลเปลี่ยนกุศลเปลี่ยนเป็นกุศล ในความโง่เปลี่ยนเป็นความฉลาดมันก็ต่างกันอยู่ที่ว่ากุศลอกุศลมันก็เป็นหมวดเหมือนกันต่างต้นจากความหลงที่ว่าอกุศลสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีกมมเกี่ยวกันเกิดขึ้นที่กาที่ใจเรานี้เรามีสติ เป็นตัวศึกษาเป็นพิภากษาเป็นตัวเฉลยความหลงความผิดความถูกความสุขความทุกข์เป็นโจ์สุขถ้าเป็นสุขทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ประกอบความทุกข์เป็นสุขประกอบความสุขล้วก็เป็นจำเลยของสิ่งเหล่านั้น วันนี้เราเห็นไม่ได้เป็นไปกบัญชาทำได้ปฏิบัติได้ชวนกระเสือสักหน่อยจะเพิ่งด่วนล้อจะเพิ่งด่วนปฏิเสธมีสติเป็นที่หลักเป็นอาชีพอาศัยเป็นข้อปฏิบัติเป็นเครื่องมือศึกษาเข้าไปมีกาย เพื่อประกอบให้เกิดการสติเอาใส่รูปแบบความมัธฐานช่วยต้นมันคิดกลับมารู้สึกตัวเนี่งอย่าไปใช้ความคิดหาคำตอบจากความคิดห้ามคิดด้วยความคิดเช่นขณะที่รัจจาระของเราขณะที่ความเพนอยู่ในตอนนั้นคิดถึงปีปากลับมารู้สึกตัว ผู้ฉวนเข้าเหยื่อฉันออกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปห้ามแต่ไปห้ามคิดก็ยิ่งวุ่นวาย่าง่ไม่อยากแค่ันคิดม้องก็ยิ่งคิดบางทีเราก็มีเหมือนกันเวลานอนหาเรื่องมาคิดไม่อยากคิดมันก็คิดจนนอนไม่หลับแล้วก็พยายามบีบตาไม่อยากคิดเรื่องนั้นมันก็ยังคิดอยู่เอา น, นั้นมันช่วยไม่ได้ ต้องอาศัยกรรมฐ า, านมาจะหายใจเข้าหายใจออกกลางคืนนอนอยู่เวลาไม่ชิดไปกรรมมารู้สึกลมหายใจหรือพลิกมือเล่นเล่นมือวางไว้ข้างข้างมือวางไว้ข้างต้องคกพลิกมือเล่นเล่นเด็กนิ้วมือเล่นเล่นในรู้สึกตัวทองใจเบิกบานสบายสบาย ถ้าหัดเป็นแลวก็ไม่ต้องหัดอาศัยอะไรเป็นไปเองในหลงก็มีความไม่หลงมาเองชำไม่ชำนานเหมือนเรามีวิชามีความรู้ชำนานเป็นปริญญาปริญญาคือชำนาญในการไม่หลงในการไม่ทุกในการไม่สุขชำนานมากแต่ก่อนชำนานในความหลงถ้าหลงก็เป็นหลงสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ ง่ยง่า ย, ายบทนี้มันไม่ง่ายแบบนั้นมันไม่ไมรับไม่รับใช่สิ่งเหล่านั้นอะไรเกิดขึ้นก็เป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปความหลงก็เป็นรูปความปวดความสุ ข, ค ว, สขความทุกข์เป็นรูปให้เราทำอย่างนี้เรืก่กรรมฐานฝึกอย่างนี้หลงทีหนึ่งรูกทีหนึ่งลงดูสุขทีหนึ่งก็รูกทีหนึ่ง ทุกทีหนึ่งก็รู้ทีหนึ่งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจก็รู้ทีหนึ่งไม่มีความรู้ถ้าไม่มีความรู้เป็นสิ่งที่ที่ทเวลาก็อาศัยกรรมฐานกลับมากําหนดกรรมฐานตามแบบค้นสติปัฏฐานสมบัติธรรมญาติปภะตั้งต้นใหม่ เรียว่าสัมปจนะปัพพาเป็นเป็นกระดองเหมือนเต่าหดอาไว้ว่าเข้าในกระดองนี่กรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องมือเป็นที่อาศัยเป็นหลักเหมือ น, นเราเดินแตสะพานที่มีลาวมันเจไปก็จับลาวกรรมฐานมีเยอะแยะไม่จน อาศัยการเคลื่อไนไหวชนใดชนหนึ่งได้นดนดนดในรูปในกายนี้มาหยุดเครื่องมือเหมาะที่สุดหรือจเจ้าหยับหยบับเดินจงกลมพิกมือยกมือเอาต่างๆความรู้สึกตัวเฉลยได้ทั้งหมดแม้แต่ความง่วงหงอหนอนโต้เย้ได้เปลี่ยนได้ถ้ามีกรรมฐาน อย่าไปสู้ซึ่งหน้าพลังบางอย่างสู้ซ้างหน้าไม่ไหวออกฉากซะลอย <c oughs> ออกฉากซะลอยแต่ว่าควมง่วงตาจะไปห้ามไม่มันง่วงโดยวิธีที่กลงกับกวมง่วงแล้วกวาง่วงมันรุนแรงครอบงำ นั่งอยู่จะทํำยังไงก็ไม่ไม่ไหวก็ลุกขึ้นหรือมือรวบหน้ารวกต่อมองทิศมองทางไปก่อนทิศเหนือทิศใต้แต่นตกต่อนออกมองเวลาเป็นกลางวันไม่ใช่กลางคืนมองไปทั้งอกจะก่อนแต่มาสู้มันไหมสู้ไม่ได้หรือยืนขึ้นหรือเดินจงกรมทิ้งมันไปซะก่อน ไม่ต้องไปลบต่อหน้ามันหนีไปก่อนหรือว่าวิขำปันวิมุติอกไปก่อนถ้าไม่เก่งเขตแต่วิมุติเก่งฝึกหาจนเก่งแล้วก็ไม่ต้องหนีไปไหนแต่ทงางการมุตข่มไว้ข้าข่มาอยู่ก็หนีไปหนีไปถ้าเก่งย่างจี้ก็เด็ดขาด ในความหลงไม่หลงเด็ดขาดในความทุกข์ไม่ทุกข์เด็ดขาดในตัวมันเองในความงงไม่ ง, ง่งเด็ดขาดอันนี้ว่าเจ๋งเพราะการเผกิญทำให้ชำนาญถ้าไม่เจ๋งก็หนีไปเหมือนการทะเลาะกันสคนถ้า อ, อยู่ด้วยกันจะได้พูดพูหนึ่งพูดนี่พูดหนึ่งพูดด้า น, น หนีไปก่อนพราพอพอพ อ, อโอกาสไหมออกไปก่อนแล้วออกไปแล้วมันได้โอกาสนิ่ช่องว่างเกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้ความหลงความโกรธความทุกข์จางหายไปไม่ใช่ตัวใช่ตน้เาเลยทะเลอกกันไม่ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันการสอนตัวเองฝึกตนสอนตนนี่ มัทั้งศีลมัทั้งสมาธิมัทั้งปัญญาสุดท้ายคือปัญญายกตนออกไปก่อนก็ง่วงไม่ออกไปที่ไหนหลีกใจภาคไปก่อนอย่ามาคิดเรื่องนี้เราคิดเรื่องนี้บ่อยๆเช่นความโกรธคิดเรื่องความโกรธบ่อยๆก็โกรธ อย่าไปไปคิดเรื่องนี้ไปบ่อยย่อคิดเราเก็มีกรรมฐานก็ยิ่งดีใหญ่หายใจเข้าลุกตึกอจิตใจให้เบิกบานเพลเมตตามองกันนี้ดีไม่เป็นไรช่างหัวมันเป็นเช่นนั่นเองว่าลงไปเหมือนพระพุทธเจ้าลมพึงกระหำเพลง ตาตาตเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นไรเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดโดยเหตุดับโดยเหตุเอ่อทุกเกิดขึ้นต้องก็ดับไปทุกต้องอยู่ทุกดับไปเป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่ตัวใช่ตน จึงไหนไม่ใช่ตัวเชื่อตนจึงต้งไม่ควรยึดถือว่เป็นเราว่าของเราเป็นเช่นนั่นเองมองอะไรเป็นเช่นนั่นเองรวมทั้งหมดคือเป็นเช่นนั่นเองในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนในความไม่เที่ยงมันก็เป็นเช่นนั่นเองอย่าให้ความไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงอย่างลอยในความเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์อย่างรอย เราก็เห็นมันซาบางอย่างทุกวางอย่างกําหนดรู้เดียการรู้รู้แล้วทุกวางอย่างกําหนดรู้เดียกันละเป็น ค, ความโกรธต้องล้าทุกวางอย่างกําหนดรู้เดียกันมันเท่าเป็นแค่นั่นเองหิวข้าวก็ต้องกินข้าวหนาวก็ต้องห่มผ้าร้อนก็ต้องอาบน้า มันเท่าเป็นเช่นนั้นเองเกี่ยวข้องกับจังใจถูกต้งหมดที่เกิดกับกายกับใจเหล่านี้จะไม่จนต่อมันเด็ดขาดชีวิตหลบเพื่อการนี้ฉลาดเร้งนี้จบมนรษาเตือนจบชีวิตที่เป็นรูปเป็นนามยิ่งเป็นกรรมฐานนี่ยิ่งได้หลักฐานหลักสูตรได้ดี เห็นกายเป็นรูปเห็น่วมคิดเห็นจิตเป็นนามเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามมันแตกฉานมันแตกฉานเมื่อมันแตกฉานเราไม่ต้องเรียกว่าสุขไม่ต้องเรียกว่าทุกข์เลยเรียกว่าอาการคิ้จ้อยนิดหน่อยแต่เรียกว่าสุขว่าทุกข์มันยิ่งใหญ่ เรียกว่าความโกรธความโลภความหลงมันยิ่งใหญ่หรือว่ากิเลสตัณหาลาคะมันยิ่งใหญ่แต่เรียกว่าอาการมันนิดหน่อยไม่ฆ่าเลยไม่ฆ่ามันแค่เห็นรูปเป็นนามความหนักก็เป็นเบาขึ้นมาความยากก็เป็นง่ายขึ้นมามันเป็นรูปจริงจริงมันเป็นนามจริงๆมันเป็นวัตถุเป็นอาการจริงจริงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตน ในความสุขก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นาการแต่ก่อนเราสุขเป็นทุขหัวโล้ทุกเป็นทุกรลองไห้อ น, นั้นันเป็นสุขเป็นทุกถ้าเราเห็นหลักฐานเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานเข้าสู่ปัญจญจาเห็นเป็นาการเบ า, บาเป็นของที่ต่ำต้อยความสุข ค, ความทุก เราเห็นเรายิ่งใหญ่เพราะว่าที่เห็นเนี่ยยิ่งใหญ่มากไม่มีอะไรที่มาต่อให้เป็นอะไรได้ให้เห็นเนี่ยเป็นอาการได้ไมาเกิดขึ้นกับรูปกำนามแม้แต่ความไม่เที่ยงก็เป็นอาการของรูปของนามความไม่ทุกข์ก็เป็นอาการของรูปของนามความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นอาการของรูปของนาม นิดมั่นไม่ได้เอามาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ไม่ได้เห็นเป็นเป็นบทสรุปคือเห็นคือจบซ ะ, บซะเห็นไม่เป็ น, นจบซ ะ, บซะตอราเชิดเกิดกับลูกกวนามเนี่ยไม่ได้เห็นไม่เป็นเนี่ยเรียกว่าจ บ, จบเรียนจบผ่านการเรียนจบไม่ใช่ ไม่ใช่จบแบบสมมุติปัญญาตเป็นปรมตัตสัจมันอันเดียวเท่านั้นถ้าสมมุติมันมากมายปรมตัตส์มันอันเดียวความหลงก็อันเดียวความทุกข์ก็อันเดียวความโกรธอันเดียวเรียกว่าปรมตัตไม่มีแบบอื่นอีกถ้าโกรธก็ถือว่าโกรธอันเดียวเท่านั้น หลงก้อนเดียวทุกคนเดียวสุกกนเดียวที่เด็ดตั้งหาราคา อ, อันเดียวไม่มีพันุไปมันจึงจบเป็นไม่เหมือนสมมติบัญญัติวิชาทางโลกจบไม่เป็นแต่เรียนจบที่นี่เมื่อก็เหนือการเกิดใจจะตายไปทางนี้เป็นโล ก, กุตระ จบก็จบทางโลกเป็นโลชิยะนี่เป็นวิชอาอาชีพสะดวกในการทำมาหากินถ้าจบตอนนี้เป็นการสะดวกในการในการไม่ไม่เป็นกับสิ่งต่างๆที่หรือว่ามรรคผลนิพพานเดยนจบจะให้เป็นสุขทุกเรื่องกายเรื่องใจไม่มีอีกแล้วอย่างนีน มันมีสู่มันบอกความเท็มันบอกความจริงมันบอกชีวิตเราเกิดมาเพื่การนี่โดยตรงไม่ใช่เกิดบาเพื่ออันอื่นให้เราใช่เรื่องนี้ดูอันอื่นก็เป็นวงเป็นครวงจรไปเลยถ้ามีความรู้เรื่องรูปเรื่องนามอันหนึ่งก็ ก็ถูกไปคิดถูกผู้ถูกตอบถูกการงานถูกว่าเรื่องชีวิตถูกความเพียรถูกตั้งใจถูกสติถูกไปหมดเลยเป็นสายไปโชว์ไปเลยความคิดชอบผูดจาชอบการงานชอบเตียงชีวิตชอบความเพียรชอบมีสติตั้งมั่นชอบมีสมาธิ เน่วแน่มั่นคงไม่หวันไหวสมาีิเหมือนถึงชัดเจนแม่นยำการใช้ชีวิตไม่พลาดไม่ผิดภลาดมีกายมีใจก็ใช่กายใช่ใจไม่ผิดมีวัตถุสิ่งของก็ใช่ไม่ผิดไม่ผิดพาดชัดเจนแม่นยำระเบสมาธิ สมาธิมาใชะนั่งหลับตาใช้ชีวิตอย่างแคดเจนแม่นยำกับอะไรต่างๆทั้งหมดในว่าสมาธิก็เลยเหมาะใจการใช้ชีวิตบ่แใจการงานทั้งหมดเหมาะแจการเป็นพ่อคนแม่คนเหมาะแกการเป็นลูกคนเพื่อนกันต้องมีความชอบเกิดขึ้นหร เราจักใช้เราจักรักษาไปเองมีอาชีพไปเองมีระเบียบวินัยไปเองมีจิตปัญญาไปเองครบทั้งหมดล้วเราจึงต้องมาศึกษาอันนี้เพื่อการนี้แหละชืิตของเราที่เกิดมาเนี่ยอย่ายอมมันอย่าจำนนยอมรับแต่ไม่จำนนมัน มันยอมรับมัมีความเกลี่ยยอมรับมีความเก็บยอมรับมีความตายแต่ไม่จำนวนคืออะไรล่ะคือเห็นไม่เป็นเนี่ยตัวนี้สำคัญไม่ต้องอาศัยการไม่ต้องอาศัยใจไม่ต้องอาศัยลมหายใจก็ได้ภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ต่ใช่ไม่ได้ก็ ไม่ได้เป็นไปกับมอญหมดมันหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องหายใจยไม่เป็นทุกข์เพราะหายใจไม่ได้ไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายเกิดราวะที่เห็นเนี่ยมันจะเหนือโลกเหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจับทันทีจับตั้งแต่ที่แรกก็ตั้งต้นได้เลยมีสติตามกลางก็มีสติที่สุดก็มีสติ นี่คือเป็นสูตรอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อเราลู้อย่างนี้ความเท็จความจริงไปอย่างนี้แล้วเราไม่ศึกษากาษ็พลาดเชแล้วชาตินี้ทั้งชาติถ้าศึกษาดูก็มีช่องทางเป็นกระแสไปยิ่งทำได้เดี๋ยวนี้ก็ย่งดีโดนดวนๆ่องหน่อย วิธีปฏิบัติที่ด่วนที่สุดก็คือเห็นไม่เป็นลัที่สุดมันสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขบนมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เป็นวิธีด่วนสายด่วนผ่านได้ทุกโอกาสอะไรเกิดขึ้นเห็นไม่เป็นเป็นเป็นทางเอกเป็นมรมกคือเห็น เห็นแล้วไม่เป็นคือผลเมื่อไม่เป็นเราก็มีอะไรหรือว่านิพพานไม่เป็นอะไรก็ปล่อยเรว่างนิพพานมรรผลนิพพานไม่อยู่ที่คนเราเป็นเป็นเนี่ยไม่ใช่คนตายเราวจึงได้นิพพานคนเป็นเป็นเนี่ยลองสัมผัสตัวในชีวิตหรือไม่มี กระแสเอาไว้เหมือนกับว่าจะตกกระไดพรวกโจรก็ได้แต่มันโจนบามันใช่ข้อนี้เลยดังเราต้องมีความเแป บ, บความเปลียนความตายแน่นอนดูไว้เดี๋ยวนี้ดีกว่าทำไว้เดี๋ยวนี้ดีกว่าเป็นไปนแล้วทำให้เป็นไปแล้วไม่มีวิธีทำอะไรอื่นจะปฏิบัติแบบน้อยก็ตาม ถ้าไปเข้าสู่เพราะที่เห็นไม่เป็นถือว่าถือว่ายังเป็นปัญหาอยู่ไม่จบคิดเราไม่จบมันจบตรงที่เห็นไม่เป็นถ้าภาษานรียนได้ไหวมุดที่มุดคือหลุดพ้นคือไม่เป็นกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรา แม่จะมีแปดมือสีพันอย่างมิจะเห็นไม่เป็นประกับมันมีสติไม่หนักแน่นตรงนี้หลักการปฏิบัติที่เราศึกษามันเป็นกรอบเป็นก ร, ร ม, มันสัมผัสได้ไม่ใช่ ด, ด้วนเดาว่าใช่คาดคิดคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะ บอกบู้ธรรมะคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้เป็นความคิดนะคำตอบจากความคิดคนเนคำนวณไม่ใช่แบบนั้นก็ไปสัมผัสเอาเลยถ้ามันสุกเห็นมันสุขไม่เป็นสุขอย่างนี้ถ้ามันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์ให้ทำอย่างนี้ถ้ามันหลงเห็นมันหลงไม่หลงมีความรู้จิตตัวปล่อยอะไรทีเกิดขึ้นใช่อย่างเดียวเป็นสูตรเดียว ง่ายง่ายเป็นของปฏิบัติได้ให้ผลได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้มันหลงไม่หลงได้เป็นสังขารให้เป็นวิสังขารสังขารเป็นทุกขวิสังขารเป็นไม่ทุกข์สังขารเป็นโลกของโลกวิสังขารเป็นมรรคผล น, ผนิพพานง่ายง่ายอย่างนี้วิสังขารคือไม่ปรุงไม่เปลี่ยนไม่เป็นสังขารคือปรุง นนตัวอะไรเป็นสังขารก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เข่นความหลงความหลงตรงกันข้ามกับความรู้มาเดีค้นหายาพาพอมีความรู้เห็นความหลงเกิดหน้ากันเลยถ้ามีความหลงก็อย่าเที่งไว้เปลี่ยนหลงเป็นรู้รู้ขณะที่มันหลง มีประโยชน์บ้างหลงเพื่อให้เราลูกหลงเพื่อให้ลูกหลงให้ลูกลอยข้างฝนหนุกลู้เท่าลู้ทันเรีวยกว่าปฏิบัติธรรมถ้าเราชำนิชำนานแล้วอาจจะไม่ต้องยกมือชักจหวะก็ได้ทำไปเลย แปลว่าตัวหลงก็มาได้มีวัตถุอะไรเกิดขึ้นมันเกิดจากกายจากใจเรานี่ยเอากาเอาใจเรานี่มีสติดูคิดมีคิดดูคิดในตัวมันเองในคิดมันก็ดูคิดไปเองเนื้อมันในมันจริงเป็นปลมัตาได้ไม่ใช่เอาอะไรไปดูคิด กิจมันทุกข์ก็กิจนันแหละไม่ทุกข์กิจมันหลงก็จิตนั่นแหละไม่หลงจิตมันมีอะไรก็ในนั่นแหละมันไม่มีหอะครับนีน่ว่าปรมัตถสภาวะธรรมไม่ใช่คนละอย่างอยู่ไกลกันเป็นปัจจิตังอยู่อยู่ที่เดียวกันเกิดที่เดียวกันในคคนเจ๋อก็มีคนไม่เจ๋อนอ้คน เก็บก็มีความไม่เก็บในความตายก็มีความไม่ตายที่เดียวกันไม่ไปหาอันเด็ไม่ใช่วัตถุอย่างองื่นมันเรารักษาโลกเชื่อโลกก็ต้องมียามีมัตถุประกอบโลกที่เกิดขึ้นเครื่องใจจิตใจของเรานี่ไม่มีวัตถุอื่นใดเมื่อมันในมันสร้างมันมี มันเกิดขึ้นกับเราชีวิตของเรานี่ฝึกขนตนเองฝึกตนสอนตนทําให้มันเป็นมาใช่มันรู้วันหลงทำให้ไม่ให้ไม่หลงให้รู้ให้ทำเป็นเมื่อเป็นแล้วมันไม่ลืมไม่เหมือนทํามันอื่นไม่เหมือนรู้จามันรู้แจ้งรู้แจ้งลืมไม่เป็นรู้จำเนี่ยมันลืมเป็น รู้แจงรูจริงความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงควา ม, มทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงหรือว่ารู้จริงไรความทุกข์มันทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ไรความทุกข์มันต้องเป็นความไม่ทุกข์มันจะจริงมาทีไรก็ไม่ไม่ทุกข์มันจะจริงความจริงเป็นความจริง คนจริงก็ทําให้เกิดความจริงได้คนไม่จริงก็เติบก็เ้ายเกิดความไม่จริงได้ทุกเป็นทุกก็ยังเป็นทุกอยู่เชนั้นแหะคนไม่จริงต่อไม่ไม่จริงสตกีนี่ลูกแกล้งลูกจริงเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีคนอย่างนี้เราไม่รู้ปฏิบัติทรรมทำไมถ้าเปลี่ยนหลงไม่เป็นผู้ลู่ได้ไม่ลู่จะทําอะไร ถ้าทุกไปเป็นทุกมันรวยทาเราจะทำไปทำใหมถ้าโกรธจะมาโกรธมันรวยจะปฏิวัติทำไปทำใหมนี่เป็นตรยตงอย่างนี้เป็นโกบเป็นกรรมอย่างนี้เป็นมื่เป็นผลอย่างนี้มีไหมถ้ามีความหลงก็นั่นแหละงานของเราถ้ามีความทุกข์ก็นั่นแหละงานของเราเอาให้มันหมด เป็นความหลงคร้สุดท้ายซะเป็นความทุกข์คงสุดท้ายซะเป็นความโกรธข้างสุดท้ายซ ะ, เ ร, ยซะเรียว่างานชอบการจบยีของเราก็จะปลอดภัยไม่มีภัยเรียกว่าเรีก้รกบุคคลคนไม่มีภัยแต่คนทําเกิดขึ้นกับทุกคนอ๋อวันนี้ก็สมควรใจเวลาพระพร้ อ, อมกัน